พูดถึงขันห้าเอารูปขันมาอย่างเดียวก็หมายความว่าเวทนาขันก็ทำนองเดียวกันอย่างี้ใช่ไหมอาจจะเปลี่ยนจากผัดสามมาเป็นนามรูปเปลี่ยนจากอะไร น, นิดหน่อยใช่หหรือว่าหรือว่าจะท่องเอาเฉพาะตัวนั่นก็ยิ่งสั้นใหญ่แต่ดีทั้งนั้นนะขอให้ท่องดีดทั้งนั้นถ้าท่องนะค่อยๆกันนะแต่ว่าแต่ว่ามันจะเข้ากันได้นะท่องได้ยังไปท่อง้ดูหน่อย คือคือท่องได้เนี่ยนะอะจนกว่าจะคล่องปากนี่ก็ไม่ใช่ง่ายเหมือนกันนะเพราะว่าบางทีบอกให้มาท่องตอนต่อนหน้าคนเยอะเยอะเงี้ยบางทีมันไม่ได้เหมือนกันนะ <c oughs> อะพออยู่ที่บ้านโอ้ท่องอย่างเงี้ยแล้วอยู่ที่เงียบๆนะเราท่องเราโอ้วันนี้สบายนะ <c oughs> เดี๋ยวบอกเอาบุญชูเอาหน่อยนี้ไม่ อ, อ่อนตะ ก, กะ <c oughs> ตึกตะกักและวแสดงว่ามั น, ม, นมันไหลระดับเงินนะ <c oughs> เฉลิมนั่งไตสุดเลยนะถ้าไม่ได้เข้าใจอะไรบ้างเลือกมาตั้งนานแล้วพอรู้บ้างอยู่แล้วเพราะว่าฟังมาสองเทอมแล้วนะี่ น, น, น, ออนั่งไทยอยมาแรงหน่อย ไม่สมัยก่อนว่าพวกนั่งท้ายๆนะเวลาบริษัทก็ไปหมดมาขอบวชเลยนะเนี่ยยังไม่ก็กตัดขอให้ได้สักสูตรที่ชอบมันต้องมีบ้างไง ได้อะไร้างเสเราท่องหังาท่องในฟองสูได้ไหมเอาสูตรที่ชอบที่สุดจุลละโคปาลสูรจุลลโคปาสูรเหอเออเราเราสามรถย้ายฟองไหมผลเยอะเงเลยเหรอจริงดวยเขาเขาเขาเขาเขาเขาเขา เ ร, เรื่องเน้อหาเรื่องราเป็นยังไงลองว่าไมา้ดูรูปลากก่อจะได้ฟังระเด็นปรอ่อาอง่นอนรัที่นด้ยัลที่รัยาให้เกียรติม่เลย เราเข้าเข้ า, ขาปฏิพานหมดแล้วกันนะเอาเอามาแล้วนะเอาจบสูตรแล้วฮะงั้นเอาเอาเวทาวิตักสูตรไปก่อนเนาะเออที่ทอดอ่อาฮะครับเอาสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณอารามของท่านอนาถาบินทิกาเสษถี เขตพระครนสาวัตถีครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสกับพิสุท์ทั้งหลายว่าดูก่อนพิสุท์ทั้งหลายพระพิสุท์ทั้งหลายก็ทูลรับคําพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ดํารัดว่าสมัยก่อนแต่การตรัสรู้สมัยเราเป็นพระโพธิสัตว์ก่อนแต่การตรัสรู้นั้นเทียวเราได้มีความวิตกอย่างนี้ว่า ถึงอย่างไรเราควรจะแบ่งวิตกออกนี้เป็นสองส่วนเราจึงแบ่งกามวิตกพยาปาทวิตกอวิหิงและก็วิหิงสาวิตกนี้ไว้เป็นส่วนที่หนึ่งและก็ได้แยกเนี่ยธรมวิตกอพยาปาทวิตกและอวิหิงสาวิตกนี้ไว้เป็นส่วนที่สองเรานั่นมีความเพียรส่งตนเพากิเลตอยู่อย่างนี้กกรรมวิตกได้เกิดขึ้นแก่เราแล้ว เราก็รู้ชัดว่ามันเป็นไปเพื่อการเบียดเบียนตนเบียดเบียนผู้อื่นะระเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายคือตนและผู้อื่นมันเป็นไปนไปเพื่อปัญญาดับเป็นไปเพื่อความคับแค้นไม่เป็นไปเพื่อพระนิพพานดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเมื่อเรารู้ชัดว่ามันเป็นไปเพื่อการเบียดเบียนตนมันก็ถึงซึ่งความดับศูนย์ เมื่อเรารู้ชัดว่ามันเป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นมันก็ถึงซึ่งความดับศูนย์มันเป็นไปเพื่อความเบียดเบียนทั้งตนและผู้อื่นมันก็ถึงซึ่งความดับศูนย์เมื่อเรารู้ชัดว่ามันเป็นไปเพื่อการทำให้ปัญญาดับทำให้เกิดความคับแค้นและไม่เป็นไปเพื่อนิพานมันก็ถึงซึ่งความดับศูนดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเราได้ทำให้ ละแล้วบรรเทาแล้วทำให้หมดไปซึ่งการมาวิตกหลังจากนั้นก็อตรึกต่อว่าเมื่อเรามีความเพียรส่งตนเผากิเลสอยู่อย่างนี้ก็พยาปาทวิตกได้เกิดขึ้นแก่เราแล้วมันเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเบียดเบียนผู้อื่นเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายทำให้ปัญญาดับทำให้เกิดความคับแค้นและไม่เป็นไปเพื่อพระนิพพาน เมื่อเรารู้ชัดว่ามันเบียดเบียนตนบ้างมันก็ถึงซึ่งความดับศ <c oughs> ูนย์มนเมื่อเรารู้ชัดว่ามันเป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างมันก็ถึงซึ่งความดับศูนย์เมื่อเรารู้ชัดว่าเป็นไปเพื่อปัญญาดับทั้งคือทั้งสองฝ่ายทั้งตนและผู้อื่นมันก็จะถึงซึ่งความดับศูนย์และเมื่อมันเป็นไปเพื่อปัญญาดับและขับแคนและไม่เป็นไปเพื่อผลิพันธ์ มันก็ถึงเครื่องความดับศูนย์ดูก่อนพิกูจน์ทั้งหลายเมื่อเรามีความเพียรส่งตนเผากิเลสอยู่อย่างนี้ก็วิหิงสาวิตกได้เกิดขึ้นแก่เราแล้ ว, ลวมันเป็นไปเพื่อเอบียดเบียนตนเบียดเบียนผู้อื่นเบียดเบีย น, ยนทั้งสองฝ่ายทั้งตนและผู้อื่นเป็นไปเพื่อปัญญาดับเป็นไปเพื่อความคับแค้นและไม่เป็นไปเพื่อผลิพาน เมื่อเรารู้ชัดว่ามันเบียดเบียนตนบ้างมันก็ถึงซึ่งความดับศูนย์เมื่อเรารู้ชัดว่ามันเป็นไ่แปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างมันก็ถึงซึ่งความดับศูนและเรารู้ชัดว่ามันเป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายแล้วมันก็เป็นไปเพื่อความดับศูนย์ และมันเป็นไปเพื่อปัญญาดับและขับแค้นแล้วมันเป็นไปเพื่อ น, นิพพานเนี่ยมันก็จะถึงซึ่งความดับศูนดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเราทําให้หมดไปแล้วละแล้วบรรเทาเสร็จแล้วซึ่งกามาวิตกพยาปาทวิตกและอวิหิงสาวิตกเอ่อระวิหิงสาวิตกดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายและเมื่อเราจึกเราจองวิตกใดอ่าจิตเราก็จะน้อมไปยังวิตกนั้นมากทําวิตกนั้นให้มาก เมื่อเราจึกถึงกามวิตกมากเราก็จะละอนเนคขมะวิตกซะหันมาทํากามวิตกให้มากทําซึ่งกรรมวิตกให้มากดูกรพิสูจน์ทั้งหลายถ้าเราจึกรองถึงพยาปาทวิตกมากเราก็จะน้อมไปจิตเราก็จะน้อมไปซึ่งพยาปาทวิตกนั้นมากหันไปทําพยาวิวตกว่าพยาปาทวิตกนั้นให้มากเราก็จะทิ้งอัพยาปาทวิตกนั่นเสีย ดูก่อนพิสูจน์ทงหลายถ้าเราเจึกถึงวิหิงสาวิตกมากจิตเราก็จะน้อมไปยังวิหิงสาวิตกมากเราก็จะละ อ, อะวิหิงสาวิตกเสียหันไปทําวิหิงสาวิตกให้มากดูก่อนพิสษุทั้งหลายเหมือนศาสตร์สาระสมัยเดือนท้ายแห่งฤดูฝนคนเลี้ยงโคต้องคอยระวังข้าวกล้านในทุกๆด้านคอยห้ามไว้กั้นไว้ข้อนั้นเพราะเหตุใด คนเรียงโคเห็นภัยในการข่าจองจำเสียทรพพระการจิตติเตียนอันเกิดจากโคเป็นเหตุฉันใดเราก็ฉันนั้น เ, เราพยายามที่จะให้ไม่ให้กรารไม่มให้อากุศลวิตกนี้ให้เกิดขึ้นดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายและเมื่ อ, เ, อ, อเราท่งตนเผากิเลสอยู่อย่างนี้ก็เน่คามาวิตกได้เกิดขึ้นแก่เราแล้ว แล้วเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วมันเป็นไปเพื่อไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่เบียดเบียนทั้งสองฝ่ายคือทั้งตนและผู้อื่นสามมันเป็นไปเพื่อปัญญาสี่เ ป, เป็นไปเพื่อปัญญาจเจริญและก็ไม่คับแค้นเป็นทางไปสู่นิพพานนะครับและเมื่อเรา เ, เราเมื่อเราตึกได้ธรรมะวิตกอยู่ตลอดคืน เราก็ไม่เห็นโทษภัยอยันจะเกิดจากเนคขะมะวิตกนี้เลยและเมื่อเราตึกอีกตลอดวันเราก็ยังไม่เห็นโทษภัยอยันจะเกิดจากเนคขะมะวิตกนี้เลยและถ้าเราจะตึกกลางกลางวันและกลางคืนเราก็ยังจะไม่เห็นภัยของโทษภัยของเนคขะมะวิตกนี้เลยดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายถ้ารถตรึกนานเกินไปร่างกายเราก็จะเหนื่อยเมืเ่อร่างกายเราเหนื่อยจิตเราก็จะฟุ้งซ่าน เมื่อจิตเราฟุ้งซ่านจิตเราก็จะห่างสมาธิดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเรานั้นทำจิตไว้ในใจเราดํารงจิตไว้ในใจทำใจให้สงบเย็นเป็นสมาธิเป็นหนึ่งมีอารมณ์เดียวข้อนั้นเพราะเหตุใดโอจิตของเราเนาจงอย่าได้ฟุ้งซ่านอีกเลยมันผมว่าจะใช้เวลาตรงนี้นานไปแล้วนะ เอาจิตของเรานออย่าได้ฟุ้งซ่านอีกเลยเแ้าเมื่อเราจึกาจากนั้นเราก็จึกมีความเพียรส่งตนเผากิเลสอยู่อย่างนี้ก็อภยาปาทวิตกได้เกิดขึ้นแก่เราแล้วก็เมืนมันเกิดขึ้นแล้วมันไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่เบียดเบียนทั้งสองฝ่ายเป็นไปเพื่อปัญญาเจริญและไม่เป็นไปเพื่อพระนิพพานเอเอขอโทษแล้วมันจะเป็นไปเพื่อนิพพาน แล้วก็พยาปาทวิตกันเหมือนกันเราตรึกไปพยาปาทาวิตกอวิหิงสาวิตกได้เกิดขึ้นกับเราแล้วและเมื่อมันเกิดขึ้นเราแล้วมันไม่เป็นไปเพื่อไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่เบียดเบียนทั้งสองฝ่ายเป็นไปเพื่อปัญญาเจริญเป็นไปเพื่อเมื่อไม่ให้ปัญญาดับไม่คับแค้นและเป็นไปเพื่อทางพระนิพพาน ะะดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเมื่อเราตรึกรองวิตกใดอยู่เราก็จะน้อมไปวิตกดันนั้นให้มากทําวิตกนั้นให้มากรเราตรึกเนคขมะวิตกมากเราก็จะละกา마วิตกเสียหันไปทําเนคขมะวิตกให้มากตึกเนคขมะวิตกให้มากถ้าเราตรึกถึงพยาปาทาวิตกเราก็จะละพยาปาทาวิตกเสียทำปะยา ทำอพยปาทวิตกให้มากจิตเราก็จะน้อมไปตนให้มากถ้าเราจกถึงอวิหิงสาวิตกมากจิตเราก็จะน้อมไปเพื่ออวิหิงสาวิตกละอวิหิงละวิหิงสาวิตกจะทำอวิหิงสาวิตกให้มากดูก่อนพิสูุทั้งหลายเรานั้นเห็นโทษภัยของอกุศล และเห็นคุณเห็นอนิสง์ของการออกจากกรามนะครับเหมือนสารรัชสมัยเดือนแห่งเดือนอเดือนอะเดือนเมษาเนะ่นะราเรานะฮะเราคนเลี้ยงโคได้พาโคไปในระหว่างบ้านนะและคอยระวังโคทุกทุกด้านแล้วคอยระวังว่านั่น กุศลเรานะครับเมื่อเมื่อเราตรึกตรองอย่างนี้อยู่นานจิตเราก็จะเป็นสมาธิสงัดจากกามสงัดจากอากุศลธรรมเป็นจิตที่บริสุทธิ์พองแผ้วตั้งมั่นไม่วันไหวคร่องแคล้วควรกับการงานอย่างนี้ตอนนีเ้เริ่มชานจะจ ะ, จะเข้าวิชาสามแล้วนะครับตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอ ย, อย่างนี้ก็ เรานั้นได้บรรลุปถมฌานไม่มีวิตกวิจารณ์มีพิติสุขเอกตาเกิดแต่วิเวกอยู่เรานั้นบนรรลุทุติยฌานไม่มีวิตกวิจารพระวิจาวิตกวิจารณ์ดับไปมีแต่พิติสุขเกิดแต่วิเวกอยู่เรานั้นบนรรลุจตุทฌานและแตัติยฌานและจะตุทฌาน เมื่อจิตเราคล่องแคล่วครวรแก่การงานบริสุทธิ์ของแพ้วตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอยู่อย่างนี้เราจึงน้อมจิตไปเพื่อปุพเพนิฟาสานุสติยานเราก็เห็นสัตว์เราก็ระลึกชาติได้เป็นอันมากตั้งแต่หนึ่งชาติบ้างสิบชาติบ้างร้อยชาติบ้างพันชาติบ้างตลอดวัฏจักร บ, บัง่งสังวัฏจักร บ, บ้างวิวัฏจักตลอดวิวัฏจักร บ, บ้างนี่เป็นวิชาที่หนึ่งที่เราบรรลุแล้วในปฐมพยายามแห่งราตรี จากนั้นจิตเราก็สงบเย็นเป็นสมาธิตั้งมั่นไม่หวั่นไหวคล่องแคล่วควรแกาการงานอย่างนี้เราน้อมจิตไปเพื่อจุดูปปาตยานเราก็ได้เห็นสัตว์เกิดสัตว์ตายด้วยจิตประจักษุกนะก็รู้ว่าสัตว์เราใดทำทุจริตกายวาจาใจเป็นวิชาทิฏฐิและอาศัยมิจติเตียนพระอริยเจ้าและอาศัยมิจฉาทิฏฐินั้น ออและประกอบสัมมาทิฏฐิวิชชาทิฏฐินั้นเบื้องหน้าแตกตายด้วยยึดถือแห่งมิชชาทิฏฐินั้นเบื้องหน้าแตกตายเพราะกายแตก็ต้องเข้าสู่อบายทุคติวินิบาตนรกส่วนสัตว์เราใดเป็นสัมมาทิฏฐิสุจริตกายวาจาใจไม่ติเตียนพระอริยเจ้าเบื้องหน้าแตกตายเพราะกายแตกโดยอาศัยสัมมาทิฏฐินั้นก็เข้าสู่สุคติโลกสวรรค์ นี่เป็นวิชาที่สองที่เราบรรลุแล้วในมัชิมยามแห่งลาตรีจากนั้นจิตเราก็เป็นบริสุทธ์พองแผ้วตั้งมั่นไม่หวั่นไหวคล่องแคล่วควรแกการงานแล้วเราก็น้อมจิตไปเพื่ อ, อ, อไปเพื่ออาสวัขยายานแม้แต่ว่าเราก็รู้ชัดว่า อ, อ ครับชาต์ยาวนะ่าสุดนี่ยาวมากเลยเอาแค่นี้ก่อนไหมครับสาธุสาธุสาธุยาวยาวยาวันนี้เยอะนะเพราะว่าจะมีประมาณมยาวมากตัวนี้ยาวมากจ <c oughs> ำได้เป็นสุดๆเลยนะแล้วไม่ใช่สูดเดียวด้วยนะให้นั่งสาธยายได้ครึ่งคืนเลยนะหระือส10สูด ประมาณสิบสูตรเนี่ยเกือบสว่างพอดีเลยนะมีบุญมากเกิดี่ตตรึกแบบนี้มากๆกนะอกุศลวิตกไม่กลุ้มุมอันนี้ก็เป็นเนคขมมะวิตกแล้วก็เป็นสมถะด้วยนะพอสรุปใจความที่คุณมุญชูกล่าวไปเมื่อกี้ได้ไหมนะว่าแยกวิตกออกเป็นสองฝ่ายใช่ไหมเกิหัวข้อนี้คือทเวทา ทเวทานี่แปลว่าโดยส่วน2วิต ก, กะก็คือความความตรึกนะวิตกทาตัวนี้ลงแปลว่าแปลว่าส่วนนะนะว่าโดยส่วน2คือที่เป็นอกุศลวิตกกับกุศลวิตกอกุศลวิตกนี่มี3มคือ1กามวิตก2ก็พยาบาทวิตกสา วิหิงสาวิตกส่วนกุศลวิตกก็มีสามคือเนคขมะวิตกอัพพยาปาทะวิตกอวิหิงสาวิตกเทีนี้ผู้ที่จะแยกวิตกเหล่านี้ได้อะโดยมากจะเป็นคนที่ทำความเพียรเช่นคนที่หลีกร้นเนะไป ถ้ายกตัวอย่างว่าพระโพธิสัตว์นะ น, นะว่าถ้าสู่รนี้พงษ์บอกว่าสมัยก่อนที่เรายังไม่ได้ตรัสรู้ใช่ไหมก่อนแต่ตรัสรู้ยังเป็นพระโพธิสัตว์คือยังสแสวงหาโพธิญาณอยู่หรือว่ายังไม่บรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนนั้นใช้ชีวิตอยู่คนเดียวซะส่วนใหญ่เนี่ย น, นะอยู่เงียบเงียบเมื่อเงียบเงียบไอ้สิ่งที่ขออ น, นุญาตกา่าวธรรมยงไงครับหลวงพ่ อ, อะนะเมื่ออยู่เงียบเงียบมันก็คืออยู่ในโลกของความ ความตรึกหรือวิตกหรือความคิดเนี่ยนะก็อยู่ในโลกของของวิตกอะ่ะพออยู่ในโลกของวิตกก็ต้องแยกวิตกออกเป็นสองส่วนทีนี้พอจเจริญกุศลวิตกไปพอจเจริญไปกา ม, มาวิตกมันแทรกเียนะไอตัวนี้มันเกิดแทรกขึ้นมาอพอมันเกิดขึ้นมาเนี่ยตามวิสัยของผู้มีปัญญาเขารู้เลยว่าอะไรมันเกิดขึ้นบ้างเมื่อเมื่อการ ม, มาวิตกเกิดขึ้นเดี๋ยนะ คือพอเจริญกุศลกุศลไปอกุศลมันแทรกนะนะนีเหมือนเหมือนกับว่าถ้าเป็นเจ้าของโรงงานที่กําลังทำผลิตภัณฑ์ที่มันมีค่าสูงมากนะผลิตได้ผลิตดีผลิตได้ผลิต ด, ต ด, ตดีแล้วไฟมันดับนี่นะถ้าไฟดับไม่รู้ว่าอะไรเสียหายบ้างนะเขารู้ได้ทันทีเลยนะหรือว่าถ้าอะไรที่มันกําลังใช้ไฟแล้วไฟมันเกิดดับขึ้นมาน ะ, ะนั้นอากุศลวิตกมันมีโทษอย่างนั้นแล้วก็บอกว่าหนึ่งเบียดเบียนตน เนี่ยนะเบียดเบียนตัวเองเอาไปคิดดูนะมันเบียดเบียนตัวเองยังไงเบียดเบียนไม่เบียดเบียนเนี่ยนะกุศลวิตกที่เคยมีไม่มีเหลือเลยเนี่ยนะเสียหายหมดเกลี้ยงเลยนะกุศลที่มันเคยเกิดนะตอนนั้นอะ่ะกุศลไม่เหลือเลยสองเบียดเบียนผู้อื่นเออเบียดเบียนผู้อื่นนะถ้าผู้ที่เป็นส ม, มณะนะจะเห็นชัด ถามว่าเห็นชัดยังไงชาัิว่าสมณะนี่บริโภคปัจจัยสี่ของชาวแว่นแควนการให้ปัจจัยส่การบริโภคปัจจัยสี่ของชาวแว่นแควนถ้าให้ปัจจัยกับสมณะรูปใดที่มากไปด้วยอกุศลวิตกปัจจัยสี่นั้นไม่มีผลมากไม่มีอนิสงส์มากะนะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าไปทำให้ให้ทานที่เขาทำบุญมานะมันได้คุณภาพลงมันควรที่จะได้บุญเต็มที่ใช่ไหม อากูสลวิตกเนี่ยมาบันทอนมาบันทอนบุญที่เขาทำไปเพราะว่านาตรงนั้นเนี่ยผู้การว่านาเกลือละเพราตรงนั้นเกลือมันกำลังขึ้นรามันขึ้นเยอะนะเลยไม่ค่อยดีข้อต่อไปนะเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายก็คือเบียดเบียนทั้งตนเบียดเบียนทั้งผู้อื่นข้อต่อไปอีกนะทำปัญญาให้ดับเพราะอะไรเพราะว่าอากุศล ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะยังจิตให้กำเริบภัยที่เกิดในภายในคนคนโลภหรือคนที่มีกามวิตกไม่รู้สึกเนี่ยน ะ, ะคนโลภย่อมไม่รู้อัดคนโลภย่อมไม่เห็นธรรมเมื่อใดความโลภครอบงำมันมืดเพราะฉะนั้นสมถะปัญญาฌานปัญญาวิปัสสนาปัญญากรรมสัสกตาปัญญาบุญบาปอริยสัจมรรคผลไม่รู้สักอย่างะนะรู้อย่างเดียวว่าจะเอาอะนะเพราะอนุภาคของกามวิตกมันติดมันคล้องเสร็จ แ, แล้วก็ทําให้ขับแค้น หรือบาลีวะอุปายาตอนะถ้าคิดแบบนี้บ่อยๆเนี่ยโศกแน่ว่างั้นเถอะชอบมากโศกมากชอบน้อยโศกน้อยอนะตอนนั้นมันยังไม่เห็นเขาบอกว่าบาปทั้งหลายที่บุคคลทํเนี่ยนะตอนแรกๆเหมือนน้ำนมที่หลั่งมาจากสมมติไปรีดนมโคนะน้ำนมสดอะแต่ถ้าเก็บน้ํานมอันนั้นไว้สักครึ่งวันหรือสองวันเนี่ยนะน้นมอันนั้นแหละ ที่เคยเป็นว่านมหอมมันจะกลายเป็นนมที่เหม็นทันทีนมบูดนมเน่าเนี่ยนะอากุศลวิตกอันนี้ก็เหมือนกันมันจะเป็นไปเพื่อความคับแค้นเดือดร้อนในภายหลังถ้าเติกแบบนี้มากๆนะนี่คือทางแห่งพระ น, นิพพานไหมเพราะฉะนั้นไม่เป็นไปเพื่ อ, อนิพพานในหัวข้อ7เอ่อข้อไป6กอย่างนนี ผู้ที่พิจารณารู้เลยว่าอากุศลอันนี้เบียดเบียนตนเนี่ยถ้ารู้รู้เห็นโทษอันนี้จริงๆริงนะต้องละอันนี้ได้นี่อย่างที่หนึ่งนะถ้ารู้ว่าเบียด อ, อากุศลวิตกเบียดเบียนผู้อื่นแน่ก็ละก็ละอกุศลวิตกได้ถ้ารู้ว่ามันเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายจริงอะนะแบบคนรู้จริงๆเลยนะ เ, ยนะเห็นโทษเห็นภัยทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นอะมันจะละอกุศลวิตกได้เมื่อพิจารณาว่าอันนี้ทําให้ปัญญาชิบหายนะนะ สาพอกพูนธนุถนอมปัญญาขึ้นอันนี้มาทําลายปัญญาหมดเลยก็ถ้าใข้ครวญแบบนี้เห็นโทษภัยก็จะดับอักุศลวิตกได้หรือว่าอันนี้ทําให้น้ําตานองหน้าครั้งต่อๆไปแน่เนี่ยนะทำให้เสียใจแนะ่ก็จะดับอกุศลวิตกได้แล้วก็เอบวุมาเนี่บวช ม, มาเพื่อเจริญสมถะวิปัสสนาที่มันเป็นทางแห่งพระนิพพานไว้อันนี้มันตรงกันข้ามเนะี่นี่มันทางแห่งพญามารเนี่ยนะก็รู้เลยว่าไม่ใช่ทางแห่งพระนิพพาน ถ้าใคร่ครวนแบบนี้มากๆจะละอากุศลวิตกนี้ได้ทีนี้ก็เปลี่ยนไปอีกนะเป็นพยาบาทวิตกเป็นวิหิงสาวิตกผู้ที่ใคร่ครวนหรือพิจารณาแบบนี้จักละอากุศลนะนะแบบฟอร์มจะเหมือนกันเสร็จ แ, แล้วถ้าคนที่คิดกามวิตตกมากๆชนานาญไ่มนะ้าน้อมไปคิดกามวิตตกมากๆนะ มันชำนาญในการมวิตกไม่ชำนาญในเนคขมมะแล้วถ้าพยาบาทมากๆนะพระรูปหนึ่งท่านเล่าว่าท่านมองเห็นอะไรนะั้นมันเป็นอาวุธได้เกือบทุกชนิดแล้วนะเพราะไอ้พยาบาทหรือวิหิงสาวิตกที่สะสมมาจนชำนาญเนี่ยนะเห็นทุกอย่างเป็นอาวุธได้นี่ก็ถือว่าชนานาญมากนะหรือวิหิงสาวิตกนะ หาเรื่องด่าคนอื่นจนได้นะว่าไม่มีใครดีสักคนในนี้นะเรียกว่าหาความเลวคนอื่นจนพบนะลักษณะนั้นนะเป็นพยาบาทวิตกถ้าวิหิงสาวิตกนะคิดหาเรื่องคนอื่นได้ตลอดนะคิดให้คนอื่นเสียหายได้ตลอดเวลาพวกนี้แหละเป็นกามวิตกพวกนี้จะชำนานในความคิดอันนี้มากๆเพราะฉะนั้นก็จะได้ถ้าอันนั้นเกิดอากุศลวิตกขึ้นมากอันนี้สง์หประการนี่พึงหวังได้ถ้า ต, ตายตอนนั้นล่ะ ทุ ก, กติก็หวังได้ใช่ไหมโอ้ถ้าคนที่คิดอย่างนี้นะไม่ไปอบายไม่รู้ใครจะไปเนะเพราะฉะนั้นถ้าการมัวิตกโดยมากเป็นอะไรก็ดูว่าไอ้ที่คิดมันคิดอะไรเหมือนกันแต่ว่าถ้าพยาบาทวิตกกับวิเหงสาวิตกเนี่ยคือนรกโดยมากนะพวกนี้ก็เปรตอสูรกายเดรฉ า, านวนๆอยู่นี่แหละเนี่ยทีนี้อุปมาในสูตรนี้อุปมาเหมือนอะไรก็บอกคนเลี้ยงโค ถ้าใช้คนเลี้ยงโคเนี่ยมานึกง่ายมากสมัยเด็กนี้เขาจะให้ต้อนวัวไปไอ้ต้อนควายเนี่ยไปนาตื่นเช้ามาหนาวหนาวเนี่ยตื่นต้อนควายไปนาถ้ามันไปกินข้าวเขาสักสิบยี่สิบกอเ น, นี่ยมันจะต้องเสียไหมใช่ไหมทีนี้ไอเราคนต้อนเนี่ยมันควรจะได้รับอะไรพ่อเสียสตังเราก็เสียโอถูกเครียด น, นั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยพ่อเสียสตังค์ลูกก็เสียเลือดนั่นแหละถ้า ถ้าเกิดพลาดนะเพราะฉะนั้นเขาจะระวังมากว่าอันนี้มันเสียหายแบบนั้นไหมวายวเดลองไล่จับไว้โอ้อันนี้ปกติใช่แต่ถ้าเนฆามวิตกอับพยาปาทาวิตกอวิหิงสาวิตกนะก็จะได้รับอา น, นิสงส์งที่ที่ตรงกงันข้ามใช่ไหม ถ้าตรึกเน่ฆมาวิตกมากๆก็จะชำนานตรึกอพยาปาท้าวิตกมากๆก็จะชำนานตรึกอวิหิงสาวิตกมากๆก็ชำนานอันนี้นะกลุ่มอสุภะทั้งหลายก็คือจะต่อด้วยฌาน อ, านะอันพยาปาทาก็คือเมตตาก็จะต่อด้วยฌานถ้าอาวิหิงสา ก, ก็คือกรุณาก็จะต่อด้วยฌานเหมือนกันเห็นะ ผู้ที่ตรึกกุศ ล, ลวิตกเหล่านี้เนี่ยนะถึงจะตรึกทั้งวันทั้งคืนมันก็ไม่มีโทษอะไรเพราะกุศลเนี่ยมันไม่มีโทษอยู่แล้วแต่คนที่ตรึกอย่างนี้ถ้ามากๆโดยที่ไม่พักผ่อนอะไรเลยเนีย่ยนะให้จิตแบบนี้ร่างกายมันก็จะเหนื่อยถ้าร่างกายเหนื่อยอะไรเกิดมันก็ฟุ้งอ่ะนะร่างกายเหน็ดเหนื่อยมากหรืออดหลับอดนอนสักสองวันสองคืนเนี่ยนะก็เริ่มเริ่มฟุ้งแล้วเพราะว่าร่างกายไม่ไหว พลไอ้สปายะนี่สำคัญตรงนั้นให้เห็นโทษว่าไอการสปายะนี่สำคัญมากแบ่งเวลาสูตรหลายๆสูตรใช้คำว่าสมถะตามการวิปัสนาตามกา ร, าาการทีนี้เมื่อเห็นโทษว่าเมื่อตรึกแบบนี้ไปมากๆร่างกายฟุง้งท่านก็ปรับคือๆท่านรู้สมัยว่าสมัยไหนควรทำจิตให้ร่าเริงสมัยไหนควรข่มจิตใช่สมัยไหนควรยกจิตมสมัยไหนควรข่มจิตสมัยไหนควร ปล่อยจิตเนี่ยนะเขาก็จะแบ่งเมื่อแบ่งอย่างนั้นได้ก็เจริญกุศลสลับคร่าวกันไปทั้งสมถะและวิปัสนาเนี่ยนะในสูตรนี้อุปมาว่าเจริญสลับกันทั้งสมถะและวิปัสนาพอเจริญทั้งสมถะและวิปัสนาพระองค์ก็รวบรัตรวบรัตวิธีข้อปฏิบัติของพระองค์ทั้งหมดเลยนะสมัยเป็นพระโพธิสัตว์รวบรัตมาว่านะพวกกุศลธรรมเหล่านี้ทําให้ได้ชาน ประกอบด้วยหนึ่งสองสามสี่ชาญนสี่ชาญนชานสี่เหล่านี้ถือว่าเป็นบาทของปุเพนิวาสานุสติยานจุตูปปาตายานและก็อาสวัคยายานเนี่ยนะก็เป็นพระพุทธเจ้าเนีย่ยนะอันนี้แยกแยกขึ้นต้นด้วยวิตกขึ้นมาเนี่ยนะแยกด้วยวิตกขึ้นมาอันผู้ที่นิยมหลีกเร่นนะจะต้องเข้าใจเข้าใจส่วนนี้เช่นว่า นึกว่งวางๆอยากจะไปอยู่วัดป่าสักครึ่งเดือนเนี่ยนะก็ต้องแยกส่วนเหล่านี้ให้ได้เนี่ยนะถ้าแยกส่วนนี้ไม่ได้ก็ไปสอบอารมณ์อยู่ทุกวันนะั่นะเนี่ยสอบไปสอบมาไม่ทราบว่าผลมันเป็นยังไงนะ ก, ก็สรุปว่าไอ้กรรมวิตกเกิดแก้ยังไงเนี่ขมวิตกเกิดแล้วมันมันมันเจริญต่อไปได้ยังไงอย่างเงี้ยนะ ก, ก็ต้องเรียนพวกนี้ให้มันเข้าใจให้ดีๆเนี่ยนะอันนี้ก็คุณมุลชูจําได้ทั้งโดย พยัญชนะเป็นอย่างเดนนะที่กล่าวไปก็สรุปโดยอัฏถะโดยยอ่อผู้ต้องการก็ดูในมัชฌิมนิกายมู ล, ลปันธาสนะะเวทาวิตกาสูตร225นะ251 25เล18นะครับนะก็ไปดูตามที่คุณมลชูว่าเอพระอาจารย์ผมผมยังคล่องใจอยู่นิดนึงในในตรงนี้เนี่ยท่านท่านบอกไว้ว่าขั้งสุดท้าย ว, วิปัสนาแล้วก็สมถวิปัสนาะก็คือ อนุปษสนาเจะท่านอธิบายไว้นั่นอภิอ า, านะครับ